นักโมตระพักวาวัตุอรหัตตสัมมาสัมพุทตะนัโมตะวตรหัตตสัมมาสัมุทตะนัโมตะวาวตอรหัตตสัมมาสัมพุทตะ นะโมตัสสะตัสสะวะโตอะระหังโตตัมมะตัมปุทตะนะโมตัสสะัสะวะโตอะระหโตัมมัมุทะทุกงจะรัขนิางะเรงขัดขัทิทั้มังจะร่งัดขัทิทั้งมังะเรงขนิังังะรัขิ สังังทรนังขจามิทุกิยมปีตงทาังสจาุมีังรนังขามิทุกิยมปีสังขังเระังขจามิตุีมปสังขังทรังจามิุกยมปสังขังเระังจามิทุกิยมปสังขังรนังจามิ ตั a ยามปีพ <AMA> <em die S 3> ุทธังเทระนังขจามิตัศยามปีพุทธังเทระนังขจามิตัยามปีธรรมังเระังขจามิตัศยามปีธรรมังเระนังขจามิตัศยามปีสังขังรนังจามิตยมปสังังรนังขจามิเทระนักขมััง ปานาติปะตาเวรมะนีสิกขาปัตังสมาทิยามิปานาติปะตาเวรมะนีสิกขาปัังสมาทิยามิอคินนาธานาเวรมนีสิกขาปัตังสมมาทิยามิ อานาานเวรมสิกาปทสมาียมิมสุมิชาจาราวรเมณีสิกาปทถงสมาธียมิข้ามสุมิชาจาราวรมีสิกาปทถสมาธียมิมุจจาวาธาวิรมสิกาปทถงสมาธียมิ มุตราเระมณิัมาธีสรามีระยะมัจจพมาานารมณีิปทังสมาธียมิสุรามีระยะมัจจพมาตถานาเวรมณีติฆะปทังสมาธียมิสุรามระยะมัจจพมาานารมณีิปทังสมาธีย i ามมัานมิปัาธมามีจ สิาปทานิสีเรณสุขจริยติสีเรณโคกัมปทาสีเรณมีภูจริยติตัตสมาสีรังสทะยอะไรงั้นตัวไนีเออเออ เออให้ให้ให้พูดนี่อาจเทเบไว้นี้เอาไปฟังเนี่ยเอาเอาเลยเอามามาสัมมนากันค่ะมีหอ่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ในแพทย์เมืองทองแขมันเลเป็นรองอธิการบดีที่จุฬา วันนี้ค่ะวันนี้ขับงอมางามากฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า้วก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าวิทยากรที่จะมาให้การบรมทีวิทยาลัยครูมีอาจารย์วิทยาลัยครูแล้วก็ครูอาจารย์จากโรงเรียนในอุบลนี้หลายโรงเรียนนะแล้วก็คณะของวิทยากรก็มีอาจารย์เพียงใจค่ะ อาจารย์กรอนาไม่เคยมาที่หนึ่งขอหนั ง, งนสือท่านไม่ได้ไปได้ที่กาดรถไฟแจ่อาจารย์ผู้สีนะส่วนหน้ากรองนาไม่ท่านจะมาทําบุญเกี่ยวกับนังสือที่จะแปลภาษาต่างประเทศอาจารย์สมสนิทนะอยู่คนแก่กรองนาไม่เหมือนกันแล้วก็อาจารย์วิภาานี่ยมาจากกรองนาไม่ที่มาจากกรุงเทพกัน วนที่เหลือนอกนั้นคุณอุบลหมดค่ะมีแพทวิลัยโกรก็มีอาจารย์พงรองอธิการนำขบวนมาค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะักตัวมาทุกเดือนเป็นประจำนะ อยากจะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายรูปก็ไปบูชาถ่ารูปได้ใช่ไหมคะมได้แต่มันไม่ค่อยสนิทพอทำไปบูชามันดีกว่าทำไปบันเทิง เ, เอาไปด้วยกันสองสองท่านลญาตนะคากใช ยิ้มด้วยอรเลักกขออท่นทอาจารย์ขาหลังมใกล้ เคยเห็นมาต้องยิ้มนะระเหล้หรอกเป็นพระพลังพระหล้าเอามันยิ้มไม่เป็นมันหมดฝังมันเลยแตเอาละฝังหมดฝามันแหละโคยิ้มมันบอก เไมพ่อสบายร่างกายไม่ค่อยสบายมันโอนไปโอนมาโอนไปโอนมาม่หอมาแล้วเพื่อนหมอม มันมันมันเป็นอย่างนั่นแหละมันเข้าเกษียณแล้วนถูกเข้าเกษียณแล้วมันเป็นอย่างนั่นแหละอายุหกสิบกว่าแล้วมันเกษียณแล้วอันนี้คือวันที่ทางานนอกคิวเขาครอเอ๊อ๋อเกียรตินาถหมึ่งกันอันนี้นิดเด เร่อ ม, มากมากๆ จ, จักนกเล่าเล่าเรืเ่องอะไรที่หลวงพ่ออาจจะมาเคยเคยพอดนักศึกษาและขราช ก, การมาฟังธรรมมาพูดอะไรกันจบแล้วขอฟังธรรมท่นี้อาจมาเห็นว่าธรรมะมันหมดราคาเลยมันนิดเดียวเท่านั้นกินข้าวเม็เดียวอีกมไม่พอไหม อะไรก็สนิทส น, นิทแลวหลายอย่างไ อ, อ้ น, นี้เนี่ยมันเพราะอะไราบางมันเพราะรีบรีบไปก็รีบมารีบมาก็ารีบไปเพราะนั้นมันเึงเ่องนเดียวดเดยวลาแไปหาว่าเวลาไม่พอเวลามันเดือเยอะคนเราเนี่ยเวลามไม่พอเวลามันมากกูคิดแหละ แต่คนนีก็เอาไปตามเวลาคนนี้เวลามันไม่ขอเหมือนก็พลาดจะมานะจะมาบวชเรื่อเวลาสึกท่านจะสึกไปทําไมอุยผมหมดความเพียรแล้วคนระับแหมท่านเก่งเนาะผมบวชมาหลายพรรษาแล้วยังไม่หมดเลยความเพียรท่านไปทำยังไงมันหมดเร็วเออหนี้ มาทำประเดียบเปล่าสามเดือนหมดแล้วคราเปี่ยนเนยมาที่หลังเราเนี่ยนะทำไมเป็นยังงั้นไม่รู้เอาสังใหญ่ฟังนะฟังก็จะพูดอะไรฟังสนิทยมอย่างเนี้ยของสนีทเดียวก็ฟังสนนี้เนาอาวันนี้เป็น โชคดีเป็นมงคลดีอย่างที่ท่านภูมิเกียรต์ทั้งหลายที่ได้น้อมมานำมสการถึงวัดวันนี้เนี่ยพร้อมทั้งมีผู้มาเตือนเว่าจะมาวันนี้จะมากรีรับรอคอยอยู่พอ ร, รีมาถึงเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไร ม, มากมาย ไปก่อสร้างความดีของเราเท่านั้นเอ <c oughs> ของที่ดีวันนี้ก็คือท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอแล้วก็ให้ไปแล้วเรี่องของการขอสินนี่ยอันนั้นเป็นของอิที่สุดแต่แล้วก็ไม่มีใครจะสนใจเท่าไรน้อยมากจะไปสนใจก็สิ่งที่ไม่ค่อยมีราคาเท่านั้นสิ่งที่มีราคาเหมือนสินอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจ เพราะสิ่นี้มันไม่เป็นลูกมันไม่เป็นล้ามันเป็นนามามม <c oughs> ทำทําแล้วไปอย่างนั้นไม่ทําแล้วไปอย่างนั้นก็ เ, เลยไม่เข้าฟังลึกจิตใจพวก เ, เราทั้งหลายในความเป็นจริงเราทั้งหลายนั้นจะมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกอย่างทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายพระก็คือความสุจริตสื่สัตย์ ทำงานตร ง, ตรงต่อหน้าที่ของกันทุกคนนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวเ ท, ทกนันสิงเป็นพื้นเราทุกคนมันพบสิ่งที่เราไม่เคยพบเช่นพบท่านผููมิเกียรติทั้งหลายนี่เคยเป็นนักเรียนมาทุกคน <c oughs> เห็นครูโรงเรียนเป็นครูสอนคนคนนึงอยากจะเป็นครูเหมือนกัน ว่าเป็นผัวน้อยนี่มันลำบากเกาะคนอื่นรับเขาทิา้งที่ไหนก็ได้อย่างนี้ก็พยายามอยากจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่นะเสมอมาจนกระทั่งถึงตัวันนี้ได้เป็นผู้ใหญ่แล้เป็นครูคนแล้วเนอะาะวัดนี้มันถูกเขาเกาะเรานาะเขาเกาะเราคนหนับมันจะเด่นเหมือนกันเนะแต่ก่อนเราไปเกาะเขาเรื่อมันสบายเหมือนกันนะไปเกาะคนอื่นรับ วันนี้มาโตมาแล้วภาระอันนั้นมันหมดไปถูกเด็กมันเกาะเราชิหนหนักไหม ม, มีเยาฉันหยับได้อันนั้นฉันอยากทํามันนีอนนน้อะไรที่ของมันยุ่งยุ่งเอามันทิ่งให้เราทั้งนั้นอัตมาคือมือนกันอยู่นี่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติดีญาติโยมทังไหลก็คอยจะอารุณร้านมาฝากจะคนเจเจทั้งนั้น ไอคนที่เรียบร้อยมันเคยเอามาฝากว่าไอ <c oughs> ทีของกระทิดมันอย่างนั้นตั น, นึงว่เอามาคว้างของในวัดตึงว่ามันจะดีนะไอความคิดผิดไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาผ่านวัดแดีวมันดีขึ้นเหมือนลไมไหมมันเย็นเราผ่านไปนะมันเย็ น, นอืมจะส่องมาปฏิบัติมันถึงจะดีขึ้นอืม เมื่อเข้ามาบวชในพรรษาเดือนสองเดือนทุรนทุรายอยากจะทําจิตให้สงบเพราะเขามียุถุจิตสงบอยากจะทําจิตสงบก็อยากจะทํำอย่างนี้ให้มันสงบได้นี้ถามเรียน บ, ยบ่อยๆหลวงพจะทํายังไงทําสมาธิเนี่ยให้มันให้มันเร็วที่สุดให้มันสงบเร็วที่สุดเนี่ยจะทําไง <c oughs> อัตมาก็เลยว่าออทําที่มันเร็วที่สุดนึ่นคือไม่ต้องทำนั่นแหละที ใจมันเร็วที่สุดเนะี่ย <c oughs> หารู้ไม่ว่าเราเกิดมากี่ปีแล้วเราเราได้อกกรงอิดให้มันหยุดหยับยั่งไหมไม่เคยอะไรมันสนุกสนานที่ไหนก็ไปที่นั่นปล่อยมันเนเต็มที่มัน <c oughs> เมื่อมาบวชในพุทธศาสนาแล้วอยากทำสมาธิเดี๋ยวนี้ให้มันสงบเดี๋ยวนี้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้คือปัญหามันที่บอกหน้าเรามันทําเร็วที่สุดยังงั้นไม่ได้มันต้องค่อยๆไป ดูการดูเวลาพอมันพอสมควรอืปัญหาคือความอยากนี่แหละเอเรื่องพอมันคึงเกิดขึ้นมาถ้าปัญหามันเบามันบรรเทาลงไปเรื่องพอไปค่อยๆพ้นขึ้นมาค้นขึ้นมาจังพ้นกว่าจังอพอพอเหมาะ พ, อ ส, พอสมพอสมควรรู้จักประมาณแล้วมันก็พอค่อยสบายขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลามันก็ลาบากอื เขี่ยวเข็นควาเรามาบวชเหมือนจนเปลี่ยนใช่ไหมอย่างเราปลูกต้นไม้เนยปลูกวันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ยาะให้มันโตขึ้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องความอยากเป็นเรื่องที่ดีของเราเรื่องนั่งสมาธิมันทําใจให้เย็นมันรวมพลังจิตของเรานั่นที่จะมีกําลังมันจึงมีพบให้จิตของเราหยุดนิ่งให้มีความสงบ มีการนั่งสมาธิมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นเป็นทำจิตให้เรามีกําลังกายกําลังต้องออกกาลังกายเรียวแรงเคลื่อนไหวเอาไว้มีวะกําลังกายมันมีกําลังจิตนั้นบางคนนึกว่าจะนั่งคิดให้มันมากๆ ม, มันยิ่งไปกันใหญ่เลยอือย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงดาวชันเป็นไห้มีความสงบแต่ก่อนนีอ่อันนี้เราผ่านพ้นมาตลอดทุกวันนี้ก็ดีว่าดีก็ไม่ทํา เราพยายามทำจิตให้สงบดีกว่าเราไม่ทําอำดีกว่าถึงมันไม่ไม่ได้สงบมันั่งสมารถทีทำถ่ายสมาทธิขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าคนที่ไม่ทําอืำนี่ดีกว่าคนที่ไม่ท ำ, นะททำเรียกว่าเด็นว่าเราหิวข้าววันนีนะ้นี่จะข้าวไม่มีอาหารก็น้อยใจาย อ, อตาตมาบมันดีกว่าไม่มีข้าว กินข้าวเปล่าๆนะดีกว่าเม่ได้กินใช่ไหมมีข้าวเปลาวกว็กินซะก่อนเถอดีกว่าไม่ได้กินอย่างนี้อันนี้คือมันกันฉันนั้นเรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นิดหน่อยก็ยังดีอยู่แล้วเป็นธรรมดาของมัน <c oughs> เรื่องที่หาว่าเราไม่รู้จักประมาณก็คือความอยากนะไมเ่เป็นสิ่งสี่สําคัญอยากที่มันไม่ดีหรือ อยากใี้มันก็ดีอืแต่อยากให้มันพออันอยากไม่พอมันเป็นปัญหาอย่างผู้มีเกียรติทางไหนมาวันนี้ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ไม่ได้มาวันนี้นะนี่คือความอยากเป็นสี่ความอยากให้มาพบกันวันนี้ได้ฟังธรรมวันนี้ก็เพราะความอยากไอ้ความอยากนั้นนด้กลายเป็นบารมีของเราที่เราได้มาพบวันนี้อย่างนี้มาถึงแล้วก็ทิ้งความอยากใช่ไห ไอ้ความอยากมันประสมถึงที่เราเลยเรียศึกษาวันนี้ก็เพราะความอยากเป็นเหตุอีกอันหนึ่งท่งาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็จริงถ้าเราไม่ยึดมันจะเห็นเน่ยตรงนี้แต่อย่างมันมั่นอย่างเชือนี่เป็นเังไงจับมาดูต้องยึดมาจับรู้ว่าแก้แล้วก็วังเอาไว้อย่างเก่าเหมือยกมนกัเรียกว่ายึดอย่าให้มันมั่นถ้ายึดใหญ่มันมั่นมันเป็นตัวพกพกนี้แล้วคาดเกิดขึ้นมา คนทุกข์เกิดขึ้นมาต่อตายไปตลอดวิราเรื่องไอ้ที่จะไม่มีทุกข์นั้นมันไม่มีครับเดี๋ยวทุกข์จะไม่เกิดนะถ้าคนเราไม่มีปัญญามันมีทุกข์ตลอดทำงานนี่เนี่ยเรื่องก็ใหนอนดีกว่าสบายดีนอนสบายไหมใครจะนอนไหมนอนกระทั่งวันไม่ให้พิกเนี่ยนอนไหมนอนไปแล้วนลูกนั่งสบายกว่านั่งนั่งสบายไหมลองนั่งสิอย่าไปยืนนะมันจะได้กีชั่วโมงมสบายอยู่แล้ว เ อ, อ้ยยืนดีกว่าเอายืนดูที่มาสบายไหมสบายทักเดือนเดินดีกว่าเดินสบายไหมก็เดินเป็นมันไม่สบายทุงอย่างนนะทุกอย่างมันไม่สบายไม่รู้จักประมาณของมันธรรมะนี่กดมันตันนั้นถึงแม้จะรู้จะเรียนไปนสักขนาดไหนก็ตามมันเถอะถ้าเราทําให้พอดีแล้วมันไม่เกิดธรรมะได้เกิดสิ่งที่พอใจของเราอืมอ่าอ่ มันถึงจุดที่มันพอดีเนี่ะมันจึงเป็นธรรมะอันแท้จริงแต่หาความพอดีมันยากอืมันยากเลยแต่มันพอดีทําไมเพราะปัญหามันหน้มหลังก่อนะถึงได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกัมันกันเนี่ยมรั้งนี้ก็พอเนี่ข้างในมันจะจิตเอาอยู่ได้นิดหนึ่งเอาอยู่ก็ลดด้วยอร่อยกินไปกินไปโน่นอิ่มจนเต็มที่ตอนยินมาพอมันอีก แม่มันเป็นเพราะอาหารน <PTSD> ั่นมันเป็นเพราะเมานั่นเพราะเราทํำไมไม่ว่ากันล่ะเพราะเราไม่รู้จักประมาณน่ะมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้ก็ว่าไปข้านอกน่ะไม่กี้มาติดหัวของเราสักทีมันก็ไปเจอด้านั้นแหละอืมไอ้ของมันตกลรงไปหาสิ่งที่มันไม่ตกตรงแค่นั่นมันจะเห็นเมื่อไหร่ล่ะคือกี้ไม่ถูกที่ของมันไปให้โทษอาหารอาหารมันจะเป็นอะไรเรามันไม่รู้จักระมาณะสาขาตรงเรานี่ย ม, มันก็อุดท้องแต่ในแด่นี่ไม่ใชเรื่องท้องอย่างนี้อันนี้กูมันทันฉันนั่นถ้าเราเห็นโทษมันอย่างนี้ <c oughs> เห็นโทษมันชัดเมื่อไรนะตื๊ดได้ทามันถ้ามันท้องมันอุดสักคืนหนึ่งกัวบวันหลังเนยไปพบอาหารจริงนั่นเขาไม่ได้เลยเียแหม่จะเรียก ง, งานหน่อยู่บ้าง <c oughs> อิ่ดขีมนมือตึ๊งนิหนึ่งเนอะระวังด้วยคนที่นี่พเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมันเรียนงานเนี่ยนี่แต่ว่า เรารู้จักโทษของมันแล้วเมื่อเห็นทบที่หลังเรารู้จักอันนี้มันเป็นโทษเต็มโทษมันชัดเจนเราจะไม่เอาเต็มที่มา ล, ละสิ่งทั้งหลายเราหนั่นไปได้ถ้าเราเห็นโทษถ้าเราไปเห็นโทษมันน้าไม่หน้าเราทุกอย่างเหมือนกันเมื่อเห็นโทษทุกประโยชน์เห็นพร้อมกันเลยมีเหตุมีผลเห็นพร้อมกันเลยถ้าเราเห็นโทษมันเห็นลได้ก็ประโยชน์ที่การทําอย่างนั้นมันก็พร้อมกันขึ้นมา แต่คนแวรู mind, ้จารก็เ the รียอมันปฏิบัติยากมันทํายากทําดีมันยากได้พูดตามๆกันมานะถ้าอาจามาจะพูดอีกองหนึ่งว่าทาชั่วมันยากเป็งไนะนี่ทุกอย่างก็เพราะคนนั่นเองนะเมื่อเราชอบทําดีมันก็ทําดีมันง่ายเมื่อคนใจบาปเมื่อคนใจบาปจิตบาปทาบุญยากทาความดียาก เมื่อคนใจบุญจิตเป็นบุญทำคนดีมันก็ง่ายมันง่ายคนในอย่างอย่างนี้และแต่หากว่าเราไปจิตยู่ข้างไหนมันก็ชอบข้างนั้นเเรานี่ยอยู่กัันทันฉันนั้นฉะนั้นเราทุกคนนี่ปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบไอ้ความสบายความสงบนั่นนะ่ะมันอยู่ที่เราอย่าไปหาจีตอยู่ในมันมา่า อาตมาไปยังตำมิพระเนรจะมาอยู่ <c oughs> เอาปัญหาแล้วไปสู่ตรงไปหาตรงนีง้อกสู่ตรงอาตมาเดบอไปทะลุตรงติดตรงนี้ก็ไม่อยู่ทะลุไปเรื่อยๆไปยื้อไปทุกลงนะทะลุตรงเด็กก็ไปทุกลงด้วย ก, วกลับมาแล้วไปสั่น ไ, ไปหากรสมสงนี่ก่อในโรงนั้นความสงบในตรงนั้น เพราะว่าถ้ำแม่มันเย็นดีมันสงบดีคนนึกว่าความสงบอย่ตรงนัน้นเมื่อไปถึงตรงนั้นไปเห็นถ้ากกลัวๆท่แล้วครับถามโยมโยมมีพระจำพรรษาไหยมีครับเป็นไงไหมมีใช่ไหมมันตายสามวงครับโอยลงแล้ว <laughs> <c oughs> นี่มันเป็นไงอย่างนี้คนเทามันมันไปจากที่สงบมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องของเราในเนี่ยทหากรเราไปไวอยวายอยู่ที่สงัดมันจะสงบได้เมื่อไร มันไม่สงบรักมันความสงบที่ที่เราอัตมาก็เคยพบแล้วอะไรไปหาหาความสงบเนี่ยไปหาตรงไหนความสงบเนี่ยอยู่ทุ่งเหี่ยอยู่ภูเขาเลยอยู่ป่าอยู่ที่ไหนเห็นไหมถ้าเรารู้จากความสงบเดินไปตามถนนมันก็สงบนั่งอยู่มันก็สงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบถ้าเรารู้จักความสงบแล้วถ้าเราไม่รู้จักความสงบแล้วุ่นวายถึงนั้นเนี่ย ให้โทษแต่นู่นไอ้โทษแต่นู้นไอตัวที่ทําเข็นเลี้ยงนี่ไม่เคยพูดถึงวิธีแบบเป็นเดียดเนี่ยอย่างไปบอกแต่อันนั้นมันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะมันเป็นเพราะคนคนนั้นมันเป็นเพราะคนคนนี้ยิ่งกรุงใหญ่ๆอย่างนี้ก็ลาบากนะมันหลายกิตหลายใจต่างคนแต่สั่งคิดนะจึงไม่แต่ขึ้นรถมากันก็ลาบากเดีย๋ยคนนั้นอยากจะเอาอันนี้เดี๋ยวคนนั้นหยุดตรงนันเดี๋ยวคนนี้ลือมันเลยได้วุ่นตลอดเวลาเลยนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีขนาดเรา ตกงว่าเราจะเป็นคนที่แก้ปัญหาทุกวันนี้เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาจริงที่มันเกิดขึ้นมาปัจจุบันทุกๆวันปัญหาปัญหาจริ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างนี้ไมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทุกถ้าแก้ปัญหา ไ, ได้เราเบาใจสบายไม่รู้ว่าความสบายมันมาจากไหนก็ไม่รู้พราะแก้ปัญหาได้มันสบาย แต่ความสบายมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองเห็นมันไหมมันอยู่ที่แก้ปัญหาไม่จบก็แก้ปัญหาจบพุ่ขึ้นมาสบายขึ้นเดียวนั้นไม่รู้มันวิ่งมาจากไหนไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปที่ไหนหรอกเมื่อมีความเห็นผิดเมื่อไรประทุกเกิดขึ้นมาเมื่อมีความเห็นถูกเมื่อไรเป็นคนมันความกระหน่ำเกิดขึมาเท่านั้นมีเะนั้นเราซึ่งเป็นผู้ปกครองคน เป็นบุคคลที่เรียกว่านําประชาชนนําคนที่หลังนะ่ะให้เดินตามรอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั่นให้นึกนึกคนวาเราจะทําอย่างไงนะนี่ในบอกจะบอกแค่นั้นนะเราจะทําำยังไงนะอาจจะมาเห็นเด็กนักนักเรียนนะ่ะโรงเรียนนะี่ไอครูเขาเคยมาทํำสมถานเคยรับธรรมะไปแล้วครูไปสอนแล้วออาาืไปสอนแล้วเด็กออื อย่าไปเล่นเจเรนะอย่าไปกินเหล้านะกินเหล้ามันไม่ดีเด็กนักเรียนมันพูดครูครับเหล้าไม่ดีทําไมครูคนต้องกินเหล้าเกินเหล้านี่คนที่ถามเด็กไปเชอะเไม่รู้วิธี้เลยแก้เด็กไม่ได้ปัญหามันจิบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันพูดไม่ได้จี่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สะอาดตรงนี้พูดไม่ได้เป็นครูคนผมกันถ้ามีอะไรสงสัยอยู่เดีมีเรื่องท่องเรา พูดตรงนี้มันจะเข้าตัวไม่พูดตรงนั้ น, นมันชอบเป็นอย่างนี้อืถ้าหากเราไม่มีอะไรจะพูดจะฐานเลยสบายไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้นเนาะไม่กล้าจะพูดเราเออดะแย่ๆใช่ไหมไม่เป็นบาครับปลี่มันชอบเป็นอย่างนี้อันนี้มันเรื่องกิกเลสกับวิทยายใครเนาะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เคยเป็นอย่างนั้นการถึงจะพูดได้อย่างนั้ น, นทุกคนพระพุทธเจ้าเคยเป็นมาแ่เจริญโทษมันแล้วเรื่องความรู้สึกอย่างนั้นท่นวางมันซะ อันนี้เป็นเหตในพุกมันเกิดไม่ดีฉะนั้นท่านจึงเป็นนายสงฆ์สังขายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นก็มันก็พูดยากเหมือนกันนะเหมือนดินเหมือนนา้าท่านทําจิตตัท่านแต่ก่อนก็ยังไม่เหมือนเห็นดินก็ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นใครจะไปเยี่ยวใส่กรช่างมันเถอะไปปอไฟใส่ก็ช่างมันเถอะมันก็เป็นกำมันอยู่อย่างนั้นท่านวางจิตถึงขนาดนั่นเอาันั่นเป็นตัวอย่าง มัอนประจีที่เือนไปมานะเขาจะทํายังไงกับช่างมันเถอะอย่างนี้มีโดยความอดทนอุตสาหพยายามอันนั้นท่านเป็นนายคนท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นท่านจึงมีพระอริยาาสาวกตามมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงปุรณะบุตรปุรณะิราชทั้งหลายถึงแม้ไม่มากคนก็ยังมีอยู่คําสอนของท่านก็อ ย, อยังคอนอยู่ตรงอยู่ทุกคนแต่มันไม่ตรงแต่คนที่จิตไม่ตรงเท่านั้นแหละจิตไม่ตรงน อย่างกูเสือมันจะมาปูไปโน่นไปได้นเนาอันนี้มานปูขันร้ายบางทีเทศไปมันไม่สบายบางคนนะบางคนชอบกินเหาต้องนั่งขอขอบยงินดีกว่าไม่ต้อนั่ง่ายน่ายมา่นั่งกลงๆไม่อยากจะมาแล้วในั่งนอกๆยังเงินดีต่มาปูไปเทอั้นู้นวเหอูอันนี้ไม่ได้ว่าใครรับว่าไปตามเรื่องมันนะเมื่อเยี่ยมมาจะมาก็สอนนี่ยนะ เอาไปเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเอาที่ว่ามานี้อย่าไปเชื่ออย่าไปไม่เชื่อหเอาไปพิจารณานะถ้าเป็นประโยชน์เดีวก็ทําถ้าไม่เป็นประโยชน์เดีวก็ปล่อยมันก็ได้ไม่มีอะไรอัตมาก็ไม่เสียหายอะไรี่คือพูดความจริงใน้ฟังทุกคนเป็นอย่างนั้นพิจชนะวันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นึงอนิดหน่อยนะพอบีรามันจะน้อยไปนะวันนี้ได้ปฏิเสธฐานด้วยธรรมะเล็กๆน้อยๆ เพเวลาของโยมไม่มากเวลามันน้อยมีมนเทศนิดเศษนิดหน่อยธรรมารจะเศษมากมันก็ไม่ได้มันจะขัดโยมจ้ะตอนนี้ผม<ด><ด>คงจะพอมีเทนั่นในวันนี้คนทีกว่ามีโชคดีที่ได้พูดไปวันนี้เนะี่ยขอโอกาสทุกๆ ท, ท่านยนะ่งนะนับว่าเป็นผู้ศึกษาทุกคนศนะึกษาทุกคนอไอการศึกษานี้มันก็มีมาอยู่อย่างเนี้นะอย่าไปเข้าใจว่าการศึกษานั่นมันให้ ให้เราดีอย่าไปวาดตรงนั้นอันเดียวนะจะต้องปฏิบัติไอ้สิ่งที่เราศึกษามานั่นให้ถูกต้องมันถึงจะดีอการปฏิบัติเนะดีอืที่การไปปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันที่มันมันจะปริญญาเอกมันก็ช่างมันเถอะดีทั้งนั้นแต่ว่ามันข้าวมันข้าวหลอกมาดิเท่านั้นข้าวสารประลองเท่านั้นมันอ่อนมันนิ่มเอามาใส่กระดิบมันวางไว้ข้างๆน่ะ ไม่เคยไปหยิบมาใส่ปากปพวกพีเลยมันก็ไม่รู้เรื่องมามันเป็นอะไรกันนะได้มาธรามตรการมาชมสถานที่นี้ด้วยวา่าเป็นมงคลใ น, นสถานที่นี้ด้ยวยนั่นทุกคนที่มานี้มาเพื่อสุระส่วนดีั้งนั้น จะมาเย่ยมวัดนี้เป็นรัดป่าที่สั่งมาประมาณในราวสักยี่สิบปีเป็นปลาแล้วเป็นป่าจะมีรูปลูกพระจารชนทั้งหลายที่นับถึกษาจะมาเที่ยวมาแวะมาดูป่าอย่าง น, นี้แบบนี้วันนี้มีท่านปุณิสเกียรติทั้งหลาย ที่เราทมาเยียวันนี้จะมาจึงขอให้ตั้งใจรับู้ววาดอันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิสังฐานตอนนับโดยธรรมะแบนี้พวกเราทั้งหลายมีความจำเป็นอยู่ว่าเรื่องขี่เราทนั้นทุกวันนี้ ตามที่อาตามาดนกลากรดชัดคือลูกลูกล้านหลานเคยมาบวชประจําอยู่ที่นี่หลายแห่งสู้ศึกว่ามีกําลังน้อยกําลังไม่พอประเทศชาติบ้านเมืองดูกหลานเรายิ่เงเพิ่มเข้นมาทุกวันทุกวันทุกวันอืรากฐานไปยิ่งน้อยไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องให้อาตามามหนักใจเลยเช่นกัน อแต่รับขีดนาอยู่บ่อยเหมือนกันเพื่อจะให้ประเกีบชาติบ้านเมืองของเราอปลูกเป็นลากฐานในตะเกีบชาติให้มีความสามสัคคีกลมเกียวกันให้มีความจริงชาติานี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่เคยสบายพระก็ไม่เสบายด้วย บ้านนันจะเป็นส่วนบ้านลังคาเป็นส่วนลังคาสายลังคามันรั่วอยู่ก็ไม่สบายอืมจะเฉียดใสใสและลอยลอยคิดจะถึง อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่เสมอนั้นเรื่องนึ่สําคัญต่อคือใน ม, มีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนอรื่องประดิษเรื่องมันไม่พออย่างนี้ใชเรื่องดีหมดไม่ตอกับความต้องการของเราทุกคนอืม ความไม่พอในะเป็นเหตุให้เรากระเสียบกระายอืมเป็นเหตุให้เราทา ง, งานในตรงต่อหน้าที่ของเราเพราะอ น, นี้บงังคับของเราคือความอยากในความอยากนี้มาสืบเนื่อหนังมเสืบตัวตนในความอยากนี่เป็นนามธรรมาอืมห้องของเรานั้นนะ่ะนั่นเป็นความอยากอยู่ตรงนั้นนี่อื่มต้นถ้าอืนน่นแล้วเอาให้มันก็ไม่เอาหรอก มันจะเอาอยู่มันตอวิเชี่ยวความอยากตัวมันอิ่มนั่นมันอิ่มเลยละ่ะมันอิ่มไอความอยากนี่มันอามันงหนียบอยากไอความอยากนี่แหละเป็นตัวการที่สําคัญเราทั้งหลายต้องมาระงับความอยากไม่ใช่ว่ามาเห็นรับประทานอืมไม่ใช่ว่ามาเห็อาศัยสิ่งทั้งหลายแบบนี้อืม ความอยากก็ไม่ต่างกาีบปัญหานั้นมันจะเป็นความอยากแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อเนี่ยให้ให้มันทําลายความอยากอย่างมานี่ถ้าไม่เราถ้าเราไม่อยากมามันก็ไม่ไมาที่แรกมันสร้างต้นคือความอยากเมื่อเราอยากมาแล้วแล้วมาเห็นที่นี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นคู่ที่ช่วยสร้างบารมีของเราถึงที่ ก็ระังคำหยากเรื่องคำหย า, ญญาของเราในทางพุทธศาสนา่ารสอนมักน้อยกามฉันดูสมักน้อยนอนหนยึ่งบางคนก็พิจารณายากใช่ไหม <c oughs> บางคนมักน้อยน้อยมันะ็คืออีกเรื่นึ่น้อยด้วยซ้ำไม่ใช่อ ย, อย่างนั้นไอ้ความฉันดูหรือความมักน้อยนี้ก็เรียกว่าเท่ยวควรที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราก็รักษาของเราอยู่วันนี้ ทำงานในเวลานี้ผมจะเอามันซะก่อนไม่ใช่ว่าท่านเอานี้ให้รู้จักประมาณให้ความรู้จักประมาณนั่นประมาณตัวประมาณการพูดประมาณการไปก like ันมาณมาสารพัดอย่างความรู้จักประมาณนี้เป็นเหตุให้บรรเทาความปุ๊กบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้รู้จักประมาณอืมประมาณเคยเรื่งตัด ยกไปอย่างจัดอย่างแมวอยู่สนัขมันหิวข้าเอาข้ามันกินกินจานหนึ่งมก็ไม่พอให้สองจานมันก็ไม่พอจานที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยมันนอนอยู่นั่งและมันตัวสุนักสี่จะเอาไปกินถึงในท้องมันอิ่มแต่ความอยากมันยังอยู่สุนัขจะอิ่มมามันก็คลั่งฮึ่มฮึ่มแต่มันกินไม่ได้ นี่คือความอยากมันมมมยังอยู่มความอยู่มมันอิ่แล้วเพราะมันอิ่จเตมหรือความอยากมันอิ่มไม่เต็มนี่ตรงนั้นพระองค์ท่านตรัสว่านาทิปัญหาประมานาทีแม่น้ํำเสนอด้วยปัญหาในนี้แม่น้ําไม่ใหญ่เท่าสัญหาแม่กว้างเท่าสัญหาแม่ยาวเท่าสรรหาแม่ยึดกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหามันยึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าสารพัดอย่าง อันนี้เป็นหลักการที่เราจะชนิดพิจารณาอาหามันพอสมควรแตาเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่น้องก็ไม่สบายออยาพาร์เพื่อนมากๆมันอยู่เด็ดตันโดยเพื่อนมากๆแต่ก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายรัฐนะครับอย่างในโลกที่มันถนงข้องกันอยู่อย่างนี้นี่คืนั่นพวกเราอยู่ในสลุ่ของโลกนี้ ชื่จใจโลกมีสบายมีฝุ่นบริเวณความละอายความกลัวธรรมะสัญญาฮิรความละอายอุปส ร, รรคความกลัวจนทําที่คุ้มครองโรคทุกนอย่างดีถ้าใครมีความกลัวและจะมีความอายต่อความขั่ว่าความผิดแล้วการ ง, งานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นคิดแต่ทําสมบูรณ์สุดมาก ท่านจึงจัดทำทั้งสองประการเนี่ยเป็นการทคุ้มครองโลกอืคุ้มครองโลกอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัติมันนะ่ะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้อย่างพวกเมืองนอกชาวญี่ปุ่นเคยพากัตมาว่าคุณท่านอยู่ในไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินยอะอาจจะมารับกเป็นที่เรียบร้อย ขโมยเินไทยเยอะไม่ใช่แคนเป็นขโมยไม่ใช่แบบธรรมะเป็นขโมยในสหาราัฐยัคงจะมีเหมือนกันนะมั้งไม่ใช่ถึงอย่างไทยนะคนที่มาชื่อศาตร์นั่นก็เป็นขโมยแต่กฎหมายมันดีคียธรรมมันดีอยู่อันนี้อาจฉริยยอมรับเลยปะขโมยมันไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้ที่สอนธรรมะเนสอนไม่ดีัรงนั้นแหละแต่คนมันเป็นขโ ม, มยอันนี้ก็เป็นสำคัญนั้น นี่คือนันเรื่องความหยากนี่มันเป็นเรื่องที่สาคัญยองคือจังหวะที่สุดผมที่เสด็จจะมายกถึงเอย่องความเราที่อยู่เป็นลุมก้อนแตนเนี้ยถ้าเราด้จัดแบ่งกัน ừ, ผู้ใหญ่ปรีนาผู้น้อยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่เมือนต่อเป็นไปไน้ในการอย่างเจ็บผีว่าหลังหนึ่งจนเจ็บผีเอาค น, าาในใช้มาตั้งในว่า คือว่าจะมันจะไป ด, ดูถูกจะมันจะไม่ไดนะ้เนาะมันก็มีมีให้นคนจนเนาะล่างถ้วยก็เป็นหุงข้าวก็เปนเรื่องเด็กเราก็เปนเช็บ้านเราก็เป็นซักผ้าก็เปนตัวเราไม่ซักไม่เป็นก็แรกอย่างนั้นอันนั้นค น, น, นดีส่วนนั้นเจาดีส่วนนี้น่จะนาจช่วนให้พัฒนาฝานนีให้คนจนมันจะม่ให้ลด้วยให้โทษคน้วยอย่างนั้นก็ไม่ไดบ้านหลังที่เรา อ, อยู่นี้ เราไม่มีสามารถไมมีความสามารถจะสร้างใช่ไหมอันนี้การสร้างจะมันจะ ส, สวยดีอยู่สบายดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอันนั่นคือเรื่องของเจ้ามารเรื่องพ่อแม่อุกปการะลูกหลานท่านมีคุณอย่างนั้นนี่จะนั่นคนจนคนรวยนี่จะขึ้นกันหรือไม่อืมอุ่กิตจิระตือาอาจารย์ขึ้นกันหรอไม่เราสังลายนี่สมบันิกันท่านนั่นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนมีเด็กกันอย่างนั้น ผลทีสดมันก็สุดแล้วมันก็แฉะแฉะแล้วมันก็จุดจุดแล้วมันก็ตายมันก็ไปในทํานองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหนียวชั่งอย่โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ที่แตนั่นถ้าเราพิจรณาธรรมะอนความอยากโลกโมโทโสนั่นมันจะค่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆนื่อความอยากที่มันจะค่อยบรรเทาไปธรรมะมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นทุกคนที่มานี้ หวังว่าต้องการความสงบต้องการความรงนัดให้เป็นภูมิมิตาอาหริอาศัยขึ้นสำคัญหาดคนใดคนหนึ่งยังนั้นจะไปได้นนไม่สบายยิ่งขนาเราเราทุกทุกคนนั่นดีทุกคนท่านจำพอดีทุกคนท่านตางพดีทุกคนท่านยอดนั่นพอดีทุกทุกคนมันเป็นไม่คนหนึ่งร่างมันจะดีหนะย่างมันจะดีหนะใบมันจะดีหนะ มันมีไม่นจึงเป็นไปมันอยู่ไม่ได้อ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อือเคยเห็นไหมไอ้เป็นเด็กแตอยากเป็นคนโตอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นเป็นคนเด็กแตอยากเป็นโตคนึกว่ามันสบายเมื่อโตกาจะไมสบายเหมือนกันคือคนอื่นเกาะเราเราเป็นเด็กเราเกาะคนอื่นเขาคืนึงว่ามันลำบากเราออยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไป่คนึกวมันสบายกต่นั่นมันเมื่อเราโตขึ้นมาจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันอ่า อะไรเอามาทิ้งทิ้งไปเหมนถังขยะเป็นพูหน่าเสียเหมือนทังขยะอะไรจะนั่งมาทิ้งอยู่ตรงนั้น่งอัตมาทรงมีดุจิตไม่เคยไม่เคยเอาคองดีมาฝากหรักเอาของท้นมันดีมาฝากให้แกปญหาให้ถ้า ต, ต้องการทำจิดมัแล้วมาหาอาการย์มาให้แก้ใอ้เราแก้ไม่ได้แล้วถ้าทำจิดจะให้แก้มันถูกไม่ได้้องทางนี้มันถูกจิตนี่ โดยหน้อบเป็นงินดุจอมาทเป็นป้าเเมียชอบทาผิดอมาฟ้องไปทาผิดไปอย่างให้เราแก้หนูจะแก้ไม่ได้แล้วมันทาผิดจะไปทำมันคือไม่ตงเรื่องมันมีเท่านั้นที่จะนั่นกัาอาัตมาทุกวันนี้จะผูกสิดสภาพเลยนะดุจจิตเกาะหนักไม่ตัล้วคนนู้ น, ย น, น อ, อยากได้นะยกคนนี้อยางได้อันนี้ใช่ารือครับจ๊ งานไปต่อเดียวให้ส่วนแต่ท่นอาจารย์มีส่วนเคาะเราเราสุดท้องเกลียดจะตายแล้วมันมีขั้วที่จะทํางเราอือย่างนี้เราคุยอกเห็นไหมต้นมันจะมีประโยชน์ลายที่มีประโยชน์ยำต้นมันจะมีประโยชน์นชนทุกคนเราให้เข้าใจว่าเรามีประโยชน์ต่อกันทั้งหมดนี่ฉนั้นถึงเมื่อเราจะหยุดในปีนผ่านต่างๆกันตรงนั้นผลผลเรียวกันเหมือนพ่อเนนือเรียวกันมีส่วนที่สึก อันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเดือดร้อนเหมือนกันอย่างนั้นที่กือนั้นควมีสรรมะสื่อิริสความลายอายต่อความผิดรัวต่อความผิดนั่นเนี่ยอืมวิริสุขความอดจำตัวแค่เราอายเรารัวแล้วก็น่าที่การงานของเรามันก็ตรงเมื่อหน้าที่การงานของเรามันตรงแล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันก็สบายเท่านั้นแหละอืมมันเป็นไปอย่างนั้น ฉะนั้นวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านคุณเกียรติทางดังในวันนี้จะน้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปคิ น, นามันมากเหมือนกันงินดูเฉพาะวันยุบความละอายโอตระคารกลัวอย่าง น, นี้สามารถที่จะให้เราทำสิ่งปฏิยะบุคคลในชาตินี้นาหรือชาติหน้าต่อไปได้ฉะนั้นไอ้คำพูดในวันนี้ขอเป็นใจเป็นศิษยาสนาอยนจิตใจของท่านคุณเกียรติทางดัาเพื่อไปูชาประพฤติปฏิบัติ โดอันาจของคุณภาษีรัชนาธรอันนี้จงปกทองป้องทานกทานทงหลายจงอยูความอยู่เย็นเป็นสุตดตลนานคือดูสบาะสบายผว่านะเมื่อไปทังโบสถดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีอยู่ในช่วงที่ลปเนี่ไปทั้งโบสรอบมาทางนี้ยังไม่เห็นโบใถครังไกลนะ เขาไปคนไปโบดยังไงนั่งกายมันโค้งแล้วกนั่งกายมันงก็เลยมาถือว่าละยองนะคุณละยองมาขึ้นเอาปพบได้นมัสการลุงพ่อที่พบละยองถือว่าอว่าเปนหา เพราะมันเื้นมียาตรวมเข้าไปไมยอมเออยังนี้ดีพักสิึ่งจำไม่ได้นะมันหลายคนนะอเออเออเรียว่ า, าตางนี้นะเออสามายั้งนี้อ่าอ่ามดูนี่มันจะไปกวดมันก็มีไหวมัน วัมันเยะต้องให้อยู่ตามคุณมันไม่มีคุณไม่มีการคุณคงจะพักอยู่หลายวันน้องนี้คุณเยอเลยมันจะมาไปรถไฟกันยังไงอ๋ออือ ลงฉันจนลงอีกองฉันมั น, นจางแถวด้วยสองอกมีทางนน้นด้วยแคเจ้าพ่อกับพระที่มารวมรวมกันนี่แหละมารวมฉันที่เดียวกันทั้งหม ด, มมด อ, อันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็ เพมเวลาสิยิ่น้อยมันก็เร็วค่ะอาจารย์จะติดใจอะไรครับยังหกวิาเสยสุขภาพไม่ไม่ไม่ไม่คดีเท่าทีมันมีอยู่ลูกหลานเนี่ยลูหานไหนมาอืออืออุบวนฮึลูกห้านมาจากไหนกัน อ๋อผู้บนนต้องเห็นวัดประโคงที่หลังครับชาวจังหวัดอิมเห็นก่อนอย่างนอกเขาเห็นก่อนผู้บนมีเห็นที่หลังครับอันนี้เป็นของเก่าเราไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันลางไปเราไปหยิบมาขอในรวงไม้ข อ, ข อ, ข, อขอกาลังแรงทหารเรา สมัก่อนมันทุกมาหรือเก็บมาอ๋อนี่ยังชื่อผมมาทาเป็นจักรเครื่องอาายอูหนออกแบบนะอาจารย์บําเพรยบบำเพริบบำเอรอบโคราดบำเพริคา แต่ว่ามันนี้จะต้องกินตนาให้อเอาสัตว์ปับนนี้เป็นสัาว์ปัจจุบันนีมาปนกันเขา้าอัตมาเคยอยู่ในป่าในเขาแล้วเอาไอความรู้สึก น, นั้นมาปนมากินตนาให้สัาว์ปัุบน้เขาสู่จะ อ, ออกแบบมามันทากันอย่างนี้นอ น, นี้ทำเ็สามันเป็นรายลักหรือว่าเป็น นี่คึอในรักนั่นเั็นหลายอย่างนี่อือต่อพุทธคุณธรรมคุณทําคุณอย่องนั้นใ่ปอันนี้มันเป็นอย่างนี้ยาจะดูแลมาแทนดูแลมาแทนมัน ไม่สูงโตมากทีกพ่อแม่ตัว矮แม่ตว矮อืม บอลต่อไปเปอาพอร์ตงควรทั้งหน้าอยู่แถวทั้งนอกนี่หนึ่งอันนี้มป็นการออกแบบอันนี้ส้าปนิกโราชมันกรีตโบสถ์ยุโบสถ์โบสถุคใหมตรงนี้ขาประทานเขามาเรียนในซากบาววันที่อีกสิบให้เนนำกันมา คงจะเป็นพาะประธานยืนแต่ต้องทําอย่างนี้ไม่ให้มีฝากนังทํำลงโรกอย่างเพราะว่าอีอย่างนี้ขโมยมันก็เอาของไปหมดเืยอะ่ะอันนี้เราจะมารับรองวาอั น, นี้คือโบสถ์การโจรโจรมันมามองไมเห็นอะไรสุปรตปภานั่นแหละเนาะนี่โดนงัดแง่อะไรของเราลนะ่ะถ้าเราไปทาประตูปิดเมื่อน้ํานะมันงัดฟังหมดเลยอันนี้เดียร์ครับอันนี้ ท, ทางเทนี้มันจะมาดูเนี่ย ที่เราเอาไปัดนั่นแต่ว่าตอ่ไไตอไปไปแต่วาดม า, า ไ, มไม่เอางี้ที่ถ้ามาทานจะนำไปไหนอ๋อมาจากคุณครู อ, อาจารย์สิบบุตรเป็นผู้ออกแบบห้ อ, องสูงประมาณเจ็สีเนีน่ใหญ่อันนี้องค์จำลององค์จลอง ผมลองมาวัด่อดนะฮะาสก็ระาดลูกนี้ลูกนี้จวยาวไม่สงประมาณสี่นิ้วอะยากน้ำฝนไม่เท่าไหร่ครับผมประมาณสี่ร้ยกิโลเมตต่ำเหมือนันต้องช่วยชนาจารว์พระพงทธเ้าที่อายุเดือนเท่านี้อย่าดูอย่าดูมารอบเท่นี้ก็ได้มาดูข้างหลังมันดิ แล้วก็ดูข้างหลังมันเนี่ยที่เอ็นห้องีมันเย็นดีอันนี้มันหนัแหแหแนงนแบบผีอันนี้นี่คือังน้ำที่อาน้ำอ่างลมนี่ตกอยู่ย น, น, นี่แหละเปิดสองเป็นี่แหลเยอะหลายเนาะอันนี้เป็นข้างหลังมันถ้าจะส่้งลงสมวนประมาณเกือบ ประมาณตั้งสามล้านโอ้นึ่่ไหนึ่งเท่ไรโบสถ์ยเป็นจุดทึงของวัดตรงเจ้ประตูขามันทตรงนี้ไปนี่ทึงนี้งีอยู่ทั้งนี้อ่ามนนี้ั้งขีเหนือทั้งขิ้ใต้นี่จะจีบประมาณนี้สักมันสักประกอบามาณสักเกบกี่กหลัง ยงทีส็เหมือนเหมือนกับเขาเท่ากันเมือนไมม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นแ่วงใหญ่เป็นเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเราเนอะมันนีตายกันถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายกับเกิดโรคระบาดมาตายสามคนหนีไม่ห่วงบ้านเราจะทาที่ใหม่อีก ดิ่วไปยังไงอันนี้มันเลี้ยมเป็นไม้เป็นตูดไว้มันเป็นบ้านเตากัใช่โดยมากนี่มันเป็นระบบเป็นอาหารของกระแตอาหารของจัดป่าโดยมากที่นีอน้อยู่อันนี้เป็นทางหลังเนี่ย ประมาณกสามล้านแล้ะสร้างไมรนีมล้านมัค่าแงอนล่อันนี้ค่าแรงเขานี่ค่าแรงก็เก็บแสนกว่าในเวลาเนี่ยอันนี้ได้สองปีสามปีมันถ้าไม่สร้างเลยคือคือวสองปีสร้างเกรืจ อันนั้นในเพื่อนเพื่อนของคนคนนั้นคนของคนนั้นอันนี้เป็นฟุเดอดือ มีคนดูรูปยังไงดูแล้ a นะจังมาต้องไปถามเพื่อนิดอั อันนี้จะเป็นธาตุเลยคือ <Starting> ไม่ใช่การผสมนะมันมีการผสมอีธาตุนมไอระพูนไอข้างในมันเป็นรูปประบัติของอัตมาเนี่คือเดนเป็นตรงที่ไปปฏิบัติมันไปตกหรืปเป็นางน์้งในอคุณเล่าใหดีิคิดไอคุณเล่้เล่าให้สาเหตุอะรู้ไ มันไม่อยากให้ตายมันไม่อยากให้ตายไม่อยากเป็นพระกันนะไอ้นั่นคนมันเป็นความคิดของคนโง่อืมันตวามคิดของคนโง่มั่นไม่จะคนฉลาดในความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนาต้องควรให้มันฉลาดเราฟังธรรมกันมันก็ยิ่งมันฉลาด อันนี้เราแจงนี่แจงตัวไปฟังม ำ, ไ ป, ำยยไปคูยกานเรื่องอื่อรรนเนี่ยไปคุยกานเลี่ยงเงินธนาคารไปคูยกานเลี่ยงหลอกเบี้ยอะไรอะไรนี่จงจิ้มจนเ น, น, น่ยะลูกสะให้ลูกเคยจะเกิดไปอยู่มัโง่จนมันตายเนี่ยถึงมันตายมาันก็มาร้องไหยย้หน้าโศกยังแม่นไมันความโง่ตรงนั้นอะ่มนมะมั ท, ทไม่ไปทำให้ทาไไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงจะทาอะไรเปเี่ยนแปลง เมี่ยตายก็เปนควายออกันสิงนนะครับเราพูเอ้ยคนคนนี่เป็นคนคิดดีๆเป็นคนดีนะเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจบุ่นพื้นฐานคือมันตายก็ถึงดีมันไม่ตายมันเห็นมันดีอะไรกันหรอกนันเ็นะอย่างนั้นจึงร้องเสียงมันม้ายเว่าเราา้คุนคิมนูกแล้วกแต่ถูกของคุณมันถูกม คิดแบบนั้นเนี่ยคิดจะ่ร้องไห้อืมมันถูกทํามะมันก็มีแต่มันถูกความคิดของคุณมันมัมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้เแค่นั้นเน่ยเมื่อคิดเนี่ยมันมันถูกตามธรรมะแหละคุณก็สบายใจนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้นี่ยดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดเมลไคุณจะร้องไห้ไปเมืมันเกิดมาเนี่ย เงาตกมาจากกลร้องัอ่งร้องไห้ทำไมอีกนะมาตายเลยเนอะร้องไห้ตรงมังนดีกว่าอันนี้มันตายเวกแต่มันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรอืาตายตรงวันนี้มันเสีดเ ม, มืเ่อไหร่นเนี่มันเกียดเ ม, มื่อแต่วันเกิดวันนันมันเกิดดทำไมคุณมาร้องไห้อืมตายมึงทำไมคุณมาร้องไห้มันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณนับนับชีวิตมาแต่วันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดในสิ่งนี้ อนคนที่ตายเดี๋ยนี้คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตายตายวันนี้ก็คือมันเป็นคชื่กมมาจาวันที่เกิดถึงวันนี้มันถึงตายเอ่คุณมาล่องให้ตอนนี้เหมือนเป็นบ้ามันตายไปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ครับถ้าโชคผูกเลยก็ดีตายเลยแต่ถ้าจะคุณไปศึกษาใหม่จะดีกว่า คนหนึ่งเป็นปาาในบวชร้ายทีนึงกันนยคนนั่นก็คือมาหาผมโดยมีจิตที่ศับผมมามีแก้ปัญหาของคนทนีนนนม่มีความสุขสบายโดยยิมสัตว์มาคนลัานก็พอมาหากลาหน้าตาไม่เคยดีโวมาจะไหนโวมาจากหน้าจะเดืดใช่ไหมผมรอดมากผมพุกมากเรื่องใยมาก งันผมเป็นพี่สาวของนองพ่อของจึงมาเพื่อวันเทาทุกผมผมเป็นตุกใหญ่เลื่องใหญ่เลี้ยงใหญ่อะไรมังเสพไฟง่ายดีไหมเออตายอืมอันนี้มันเลี้ยงอะไรนะแต่มาตกใจมันเป็นยมมามันเะเลื่องใหญ่มาพูดให้ฟังว่าเงียตายมันเลื่องหรือมันเลื่องธรรมดาของใครมีเคมีงยตายมีไหม ผัวกระจายเมียกระจายลูกกระจายใค้กระจายหมดมันเรื่องเยอมันเลื่องธรรมดาของมันแล้วยอมไปคิดมันมันเรื่องเยอเรื่องหยุดคิดมันจะเรื่องใหญ่ตกใจนี่อาตมาก็ยังใจหายตรงเงี้ยหิ้มลมาเรื่ยงใหญ่ถามไปถามมาเลยนว่าเรื่องคนตายมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาครับว่ามีเคือมีสายกับคนพ่อแม่พอที่นี่สายกันั้นเรื่องธรรมดาครับ ไอ้คุณคิดใหม่ก็คุณจะคิดแบบมันใหญ่มันใหญ่ที่มันลดมันเลยหยุดหยุดมีกนะาร <c oughs> พูดทีใจ ท, ที่ไหนอ้ทานทันจะคิดอย่างนั้นไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดไอ้ความสบายใจเกิดขึ้นมาเพราะเหตุการ์คิดถูกเป็นสมมาทิฏฐินั่นเนงนนอง นวันนั้นไปเจอวันนั้นไม่ื่นหนักจึเลยถามบอกว่าคุณมาจากใครเรนนี่เข้ามาจะพูดอ้วนเี่ยนี่นี่เ้อคนที่สองพอแล้วขนาดนั้นฉันจะกินมึงหมดแล้วนั่นกิน็จะเหอยไมได้มากมายใจแล้วเนี่ยเออเด้อเอาไม่ฟังเขนเอาสอน้ามันจะไม่พอเนือน้อยมันกลับไปบ่าเนี่ยนีมันจะหาย เพราะนั้นเราคิมมอแต่คันยคนมันมรู e ้ิิอืมรจรางคนมีจากอย่คมันเกิพุกแล้วนอน่เป็นพุกเปล่าอืมบางคนมันบางคนต้องไปตวจตัวดูอย่างพที่มาอยู่มาขออาจารย์จนเพื่อนจนเต้าปิบัติย่งไรบากันมา มาอาศัออมาผมก็มาพิ่งมาจะมีท่านหน่อช่วยช่วยอะไรผมเป็นโยกเออผมก็ช่วยได้แต่ที่ว่ามันจะนําหมอมาดูนำทหาหมออืจะช่วยจะให้มันเป็นโยกช่วยนั้มันดูทานอยู่คช่วยอยู่ได้ช่วยเองผมก็ยังช่วยอยู่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ไปส่งไปหาร้ตู้พาเวป ไปค้นกลับมาทีนเป็นแม่งผีแม่สมัยหลวงพ่อโลกมีรักษาไม่ได้แล้วยืนเห็นโรคมาลุมันวูบจนตรงเนี่ยปาเาใส่ออกมันโรคมาลุ่มแล้วเขาไม่บอกหรอกว่าเจ้าม่ผมท่านัะมาตามจนพูดจนนี้นักปฏิบัติมาอ้ยี่เป็นรุ่นเดียวคนนี้จะไม่ใจจังมากเลยเดี๋ยวท่านในในระยะมันเป็นคนอ่อนไปหน วันนั้นผมอ่านมันซีกเป็นหมายที่มันเรียกมาเนี่ยลูกจิตชอบเ็โรคมะเร็งเนี่ยถ้ามันตายในนานแล้วผมไหวเลยนะถ้าท่านจังใจใหดีนะอืมบอกผมบอกการ but, ํำหมอครับอย่ก็โดกมาเดิน